ข้อ16นะครับ ว, วิธีหน้า180นะข้อที่66นะครับที่สู่รูปใดรู้อยู่นัดหมายกับผู้โจรผู้ทำจรกรรมมาแล้วก็ดียังไม่ได้ทำก็ดีผู้รักของหลวงก็ดีผู้ของเสียภาษีก็ดีแล้วพึงดำเนินไปยังหนทางเส้นเดียวกัน โดยที่สุดแคมตัวระยะหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งต้องอาบัตดปาจิตตีในที่นี้นะัดเพื่อเดินทางร่วมกันเท่านั้นไม่ใช่เพื่อเป็นโจรร่วมกันนะครับอันี้นะ <c oughs> ก็ชักชวนนะครับโจรเดินทางไกลชักชวนนั่นหมายนะครับนั่นหมายการเดินทางนะครับพวกเราไปกันเถอะอย่านี้นะไปนะสิครับพระเจ้าอ <c oughs> ครับหรือว่านั่นหมายเวลาไปกันวันนี้ไปกันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยกำหนดอย่างนี้นะและพิสูุก็ต้องรู้ท่องรู้นะครับว่าเข้าเป็นโจร น, นะแกจะไปทํำจรรกรรมมาแล้วหรือยังก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นผู้รักของหลุมหลุนี้ภาษีนะพิสุรู้ท่องรู้นี่ไม่ได้เลยนะครับถือว่าโจรนี้ท่านั้นนะครับไม่ได้เลยอันนี้ถ้ารู้ท่องรู้แล้วก็ยัง เ, เถินเถิทางไปร่วมกันนะครับจะต้องอับอายตอนไหนตอนที่หมู่บ้านแรกนี่ไม่ต้องนะ เข้าเขตหมู่บ้านที่สองนะครับเข้าเขตหมู่บ้านที่สองก็จะก้าวแรกใช่ไหมต้อาบัตรทุกกดก้าวสอง้าไปอี่ตินะครับแล้วก็ทุกๆหมู่บ้านหน้าใหม่ที่เข้าเขตแต่ละหมู่บ้านแต่หมู่บ้านก็ตามบัตรไปเรื่อยนะครับหน้าแต่หมู่บ้านที่สองไปหมู่บ้านแรกยังยังไม่นะครับที่สุดก็คือไปเดินทางไกลกับโจรเนี่ยและ้ะทีนี้พวกพวกตํารวจใช่ไหมขอกมาจับโจรได้เนี่ยพร้อมของกาลางอะไรนะ แล้วก็ตําหนิผ้าที่รูปรวกผู้นี้เป็นโจ้ทำไมันยังเดินทางรูปขเข้าอีกนะครับเขาตาหนิตีเตียนผ้านะครับอ <c oughs> ใช่ใช่นะนะเขามีการสอบสวนพอรู้ว่าไม่มีอะไรก็ปล่อยไปแต่เขาก็ตำหนินะตําหนิทำนี้ <c oughs> ถ้าไม่มีหมู่บ้านเลยนี่เอาหน้าอามแบบยังไงะครับ เป็นเท่านี่ครับกึ่งเอเลยครับแปดกิโลเท่าุกแปดกิโลนะครับต่างกันหมดทุกแปดกิโลอันนี้หมายถึงว่านั่งการเดินทางร่วมกันแต่ถ้าชวนไปเป็นโจ ร, ร่วมกันใช่ไหมถ้ากมยของได้ราคาห้ามาส่งนะก็จะเป็นปลาชิดใช่ไหมครับเอามาดูต้นมันใหญ่ไหมมันใหญ่ยังไง เรื่องพิสูรรูปหนึ่งแล้วโดยสมัยนั้นพุทธภาพพระเจ้าประทับอยู่นักเชตาวันอารามของนาธานบิดิกาข้ามบดีเขตพระนครสามวทีครั้งนั้นพวกพ่อค้าเคลียรต่างมู่หนึ่งประสงค์จะเดินทางจากพระนครราชคือไปสู่ชน บ, บททางทิศตะวันตกพิสูรรูปหนึ่งได้กลาวกับพวกพได้กราวกับพ่อค้าพวกนั้นว่าแม่ตามาจะขอเดินทางไปร่วมกับพวกท่าน พ่อค้าเวียนต่างกล่าวว่าพวกผมจะหลบหนีภาษีเขาลับทิสูตรนั้นพูดว่าทั้งหลายจงรู้กันเองเถิดท่านก็ไม่สดรู้เองหรอกเจ้าพนักงานศืลการกรทั้งหลาได้ทราบข่าวว่าพ่อค้าเวียนต่างจะหลบหนีภาษีจึงคอยซุ่มอยู่ที่หนธาับพ่อค้าเวียนต่างเนี่ยต่ามายถึงพ่อค้าเกียนที่ขนของไป เขาว่าต่างนันภาษาเหนือต่างของมาถึงขนของเนี่ยนะครับ <c oughs> นี่ก็พ่อค้าเปลียนต่างเข า, เาขานมันทุกของไปนะคจึงคอยซุ่มอยู่ที่หนทางคั้นพวกเจ้าพนักงานเหล่านั้นจับพ่อค้าเป <c oughs> ลียนต่างนั้นเรื่องของต้องห้ามไว้ได้แล้วได้กลาวกับพิสูจน์พวกนั้นว่าพระคุณเจ้ า, นานรู้อยู่เห็ไุไดจึงได้เดินทางร่วมกับพ่อค้าเปียนตา่างผู้รับซ่อนของต้องห้ามเล่า คือคนจนะบอกว่าแกไปลอบล่อเอาของหลวงนะครับแล้วก็ออกมานะเนี่ยเ้าก็รูเพลิตามมันจับนะครับบอกว่าลักลอบนะครับหลอกลวงลักเอาของหลวงบางอย่างนะครับไปที่ตั้งใจว่าคราวนี้เราจะไม่ถวายหลวงนะองหลวงนี้ภาษีนะครับอั น, นทีนี้นะครับพิสูจนะั้นไปถึงพระนคารสามัคีแล้วได้เล่าเรื่องนะั้นแกพิสูจนทั้งหลาย บรรดาพิสุท่านผู้มั่งน้อยสำโดดต่างก็แพ่งเท่าดีเตรีมพุนาว่าไที่สุรู้อยู่จึงได้ช่างชวนและเดินทางไกลาสายเดียวกันกับพวกพ่อค้าผู้เป็นโจรเล่าและกลาวคำเ่องนั้นแต่เมื่อพระเจ้าพุทธองค์ทรงสอบช้าทรงติเตียนแล้วก็เบียสิศีราะกนี้ขึ้นมาก็หมดเวลาครับซึ่งมีจุ า, ารแ่กวนี่้ย่าด<อ>นวงนเดือ <c oughs> ท่านไม่ท่ามไม่รู้นะท่านไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าไปชวนเข้าไปเองเนี่ยขออาสาไปเท้าด้วยค <c oughs> ้ามคิดมีข้อข้อเกี่ยวับช่างชวนเดินทางไกลกับมาสุคามนะเพรจะพูดเพราะหมอเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยที่ไม่จะได้รู้พิสูจน์ช่างชวนเดินทางไกลกับมาสุคามนี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าชวนเดินทางไกลกับผู้หญิงเนี่ยนะชวนการไปนะ ถึงถึงเป็นคณะกแล้วแต่นะแต่มีการเชิญชวนกันแล้วก็นัดหมายกันนะครับป็นการเถรน้องหญิงนี่นะฝป็นการเถอะว่าคุณจ้างนี่นะมีการเชิญชวนไปแต่ว่าข้ามไมได้เชิญชวนนะก็ไม่เป็นไรถ้าไปสูจชวนฝ่ายเดียวนะครับก็ยังเป็นอาบัติกฎแต่ถ้าผู้หญิงชวนฝ่ายเดียวพิสูจน์ไม่ได้ชวนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องอาบัตินะครับต้องมีการชวน แล้วก็บอกความประสงค์เฉยเนี่ยเราไม่ได้ชว น, น, ช น, นยโยมต่มาต้องการไปหาหมอเนี่ยที่โรงพยาบาลโยมก็รู้ว่าเขาผ่าไปาไม่ได้เป็นการชวนนี่นะแต่ละเดียวชิญชวนที่บบพระไม่ทำบัตรพระไม่ชวนตอบ น, น, น, อนะถ้าไม่ชวนตอบนะอ้าวดีมันโยมไปด้วยกั น, น <c oughs> <c oughs> โยมใช้กับเยวาอหารทีไม่เป็นการชวนใช่หมเป็นอหาอยาที่บอะค่ะไม่เป็นการชวนเโยมใช้คำนี้ไงก็คนนั้นจะมีแต่พระอะไรนะที่จะเลีกเลี่ยงอาบั่ิเวลาโยมเขาพูดเลยถ้าโยมเาจะชวนเป็นกชวนันเที่มนไปเที่ยมันมันไปเที่ยวมันเียไมัยไปเที่ยวไม่ไม่ม ผมใช้สุนาขจ้องแล้วก็เดินไปน่าเดินไปก่อนแล้วก็โยมาเจอขับรกมาเจอแล้วก็จะก็ได้ก็พอได้อยู่นะคือไม่ไม่ใช่คำว่าไปด้วยกันไม่ใช่คำว่าไปด้วยกันไรันัมั่งชัชวนไปด้วยกันนะ บอว่านิมนต์ไปอินเดียแต่ไม่ได้บอกว่าโยมจะไปด้วยเน <c oughs> ีน่ยมาทีโยมข้อ น, นิมนต์เขาไม่ได้ไปด้วยก็มีใช่ไหมหรือ น, นิมนต์ไปที่นั่นที่นี่นะครับกว่า จ, จะมีแต่วิธีเรี้ยกอาบัตให้พระของโยมมีปัญหาพูดยังไงก็ได้เป็นไรหรอกแต่ว่าที่พระน่ะไอ้ทีวิธีท่านจะพูดนะครับก็จะไปเชินโยมตอบก็แล้วกันนี่นะ้วบบความประสงค์เฉย ที่เวลาอาสมาหชิกไปกลับไปเนี่ยหรือไปกรุงเทพก็บอกโยมโยมพี่อยู่มารับด้วยบอกให้มารับไม่ได้บอกให้ไปด้วยกันอันนี้มันก็ไม่เป็นการชวนนะพ่อไม่ได้เป็นการชวนจะทาด้วยกันบอกให้มารับเฉยๆนะก็แล้วก็อีกที่คําพูด้ว่าเป็นการชวนหรือเปล่าพาก็ต้องเรื่องอาบัตเองนะครับแต่ว่าถ้าตอนที่ชวนไปนานบัตถูกกดแล้วนะ พอเดินทางไปด้วยกันเข้าอีกเข็งอีกหมู่บ้านนึ่งะครับก็ต้องแบบไปยี่ตีแต่ถ้าบอกว่าถ้าอะไรนะผิดนัด น, นะครับผิดนัดผิดวันผิดเวลาเงี่ยนะท่านไม่ต้องแบัตไปยี่ตีเช่นนะโ ย, โ ย, โยมมวมื่อกี้มองเ่ะเก้าโมงนะเก้าโมงเราก็เลยเวาสินาทีอย่างเงี้ยนะไม่ตรงเวลาครับไม่ต้องแบบไปยี่ตีนะเนี่ยแต่ตอนชวนมันเป็นทุกกฎไปก่อนแล้วนะที่ชวนด้วยกันนะครับ แต่ท้านไหนเวลานี้นะครับท่านก็จะไม่ต้องไปตีทำาห้โอเอลนะไม่กลัวต้องไปตีใช่ไหะครับใช่ครับเมื่ออขาประกาหมดครับคือโครงการนี้ไม่เกิดในมลนะครับครับือแต่ไม่รู้ว่าโยมเขาในมลออกชื่อผัดหรือเปล่าสมมติว่าเราไม่รู้อย่างนี้ครับเราเกิดมาบินจาบากชามนี้ครัพิษไหมมีอ๋อช่วงนี้อันนี้สองก็มันได้อันนี้สอมอันนี้สองมีปัญหาเขาไหน้าสบายอันนี้สองกรถิ่นใช่ไหม อยู่นะครับถ้าเกิดเรื่องดีอะไรส่งเลยครับอ๋อไม่เป็นไรเขาไม่ไ้ อ, ออกชื่อนะถึงเจ้าที่ชชาที่เขาไม่ได้บอกเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือไม่ถือเราออกชื่อพัดข่าวค่าวอย่าครับเขาไม่ออกอยู่แล้วพั น, นธุ์หน้าที่ก็จะรู้นะ<ม>ถ้าจา อ, ออกเข า, ขาก็ต้องบอกโยมนีะครับ<ม>อันนี้ก็เค<ม>่นก่อ น, นครับในท้ายที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงานในธรรมวินัยของพระสมมาสัมพุทเจ้า จงกับนั่งหลายด้วยกันทุกท่านแทนต้องการจะเรียกอาบัติให้พลางก็ต้องมาไม่ตรงเวลาถ้าถือ่าเกิดการคัดชวนไปแล้วใช่ไหมไม่เวลานม่ก็ต้องเหละเวลาถออผิดนักใช่อาจารย์บอกขออนุญาตวันี้อาบัติต้องต้องเมมาตรงเวลาเลยอ๋ออีกอย่างอาบัติงไม่ได้ต้องตอนชวน วต้องทุกกฎนะครับถ้ะนี้ไม่ก็ไม่่วนแั้งแต่่วนแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดมันพลาดแล้วไงเราจะแก้ขั้นที่สองครับมาผลม า, ม า, มาไปเที่ยวเวลาต่อในการเดินนาทีหนักวินาที <c oughs> ถ้าถ้าอยู่ในวัดชวนอะไม่ยังไม่ต้องนะมีเงื่อนที่ อะคาหังตัะัมาภมา